ก็มาถึงห้องประชุมเนี่ยตามบติที่ห้องบรรยายหรือห้องฟังปฏิบัติก็จะกว้างขวา ง, วางแต่เมื่อมันจํากัดหลวงพ่อก็จัดแบบจํากัดแล้วปรับะมัยหมดเนะเมื่อวานทดสอบอารมณ์คุณเอกชัยได้ปฏิดาอารมณ์หรือเปล่านะเราเคยเจอขึ้นมาก่อนแล้วนะแต่เราจําไม่ได้ <laughs> หลายหมืน่นหลายพันชาติมากกว่าจะเรียนมาเจอกันอีกครั้งหรือบางคนก็อ่าหน้าคุ้นๆอาจจะเจอกันเมื่อชาติที่แล้วยังจําหน้ากันได้อยู่อันนี้ก็มีก็นะ <laughs> <laughs> ปกติเนี่ยถ้าเรามาฟังพระลักษณะอย่างนี้วันเดียร์ดทีเนี่ยจะเป็นการมาผ่อนคลายนะซึ่งไม่รู้ว่าคนใหม่มาผิดงานหรือเปรื่องงานนี้นะเพะ อ, อะไรเขาจะเครียดนะี่ยพ่สอนให้เครียดในวันนี้นะวันนี้สอนให้หายเครียดนะเพราะอะไรพ่อเป็นพระพุทธเจ้าวันทุกต้องกำลว น, นรู้เรามาศึกษาเรื่องทุกกันเนื่องจากเวลาเราสั้นถ้าสมมุติว่าเราจะ ฟังผ่อนคลายก็จะมีพระสงฆ์เราหลายลูกผ่อนเราพาสนุกสนานท่านตลอดชั่วโมงแล้วก็ได้ยิ้มได้หัวเราะก็กลับบ้านก็สบายผ่อนคลายกันนะก็มารู้จักพระหลายรูปที่มีลักษณะอย่างนั้นถามว่าเป็นประโยชน์ไหมใช่เป็นประโยชน์ระยะสั้นนะแต่ระยะยาวเนี่ยมันค่อนข้างจะเราจะสุกเบื้องต้นหรือทุกเบืองปลายหรือเราจะทุกเบื้องต้นหรือจะสุกเบื้องปลาย พระลักษณะของธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกกะทานกิเค่วอ้อยจากยอดไปหาปลายแต่ทางโลกเนี่ยทางโลกียะเนี่ยมันเหมือนแกะเคี้ยวอ้อยตั้งแต่ต้นไปหาปลายหมายคามว่าตอนแรกๆเนี่ยจะหวานจะสดชื่นจะพอเคี้ยวไปนานเข้านั้นเข้านัานเข้ายาวไปเรื่อยๆจนถึงปลายเนี่ยจืดจืดจๆจืดชื่นจะไม่มีรสชาติอะไร แต่ธรร ม, มะนั้นเบื้องต้นเป็นเรื่องของจิตชื่อไม่มีรสชาติอะไรพราะนั่งเท่านั้นเข้ า, ามันก็ิ่มไปใกล้ต้นเขา้าลืมเขาก็ลืมไปมีรสชาตินะลักษณะอย่างนั้นอันนั้นผู้ใหม่ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องทําใจว่ามันเป็นลักษณะนี้นะไม่มีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าเครียดไดยซ้ําไปแต่ไงก็ตามวันนี้จะพยายามทําให้เรื่องเครียดมาให้เครียดนะมาเองก็เพิ่งมาถึงโรงงานเลยนะกลับมาจาก ทางอเมริกาข้ามไปยุโรปได้สองสามดิ ท, ทีที่ฝรั่งเศสดิทีที่หนึ่งเยอรมันดิทีที่หนึ่งไปที่สวิตส์กลับไปข้ามมาที่เชียงใหม่เลยนะที่สวนพันดาวพอจัดที่สวนพรนดาวดิทีที่หนึ่งก็มาลงที่วัดลงที่วัดพระธ า, า, าแสงเทียนมาเสร็จจากพระธาแสงเทียนเมื่อวานก็มาที่นี่เลยไม่ได้ว่างเว้นจาก ง, งานเลยเนะก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าคือเมื่อก่อนเนี่ยสไตล์ในลักษณะพูดให้สนุกคลอนคลายเนี่ยแต่ว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้ ต่อหลังมาเลเอาเอ า, เอาวิธีการพกทธิยนเนี่ยจะต้อง เ, อเป็นลักษณะที่จะให้กลับมารู้จักตัวเองนะเพราะเมื่อก่อนเราหาความสุขที่นอกตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาเงินใช่ไหมหาเงินเพื่อจะซื้อความสุขนอกตัวเองมาหากันกตลอดชีวิตถามว่าเป็นสุขหรือยังพบสุขหรือยังคนที่เขาเป็นเศรษฐีที่ว่ามีเงินเหลือเฟือเนเขาพบสุขที่แท้จริงไก็ไม่จริงเนะ เพระพระเศรษฐีหลายคนก็ต้องการมาบวชต้องการมาหาความสงบแบบนี้เหมือนกันนะอย่างเศรษฐีอย่างพระพุทธเจ้าเนะีเป็นถึงพระรายชาใช่ไหมใ น, นที่สุดก็หนีจากความสบายแบบที่ท่านหามอะไรพบหลายชาติชาติสุดท้ายก็มาเป็นกษัตริย์ที่ยอดของคนที่มีความสุขแต่ใ น, นที่สุดท่านก็ไม่เอาท่านก็ทิ้งทิ้งสุขทั้งหมดเหมือนกันนะนั้นเองพวกเราหลายคนก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนั้นเองก็มา มาทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะนะชาตินี้เนาะเพราะอะไรเพราะเห็นคุณเพราะมาเองผ่านความตายมาถึงสามครั้งมันก็เลยทำให้รอดมาได้ถ้าครั้งที่สี่นี้คงไม่มีเหลือแล้วงั้นเนีย่ยพราะฉะนั้นก็เลยรอดครั้งที่สามมาได้เรามีโอกาสมามาทำหน้าที่ในการที่จะบอกว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนนะความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนนี่จะถามพวกเราว่าในตัวเราที่เรา เราใช้คำว่าเราเราเนี่ยเคยเจอเราเคยเจอตัวเราไหมที่สวดมาวิี่พอระหังสมาสเสร็จแล้วก็อิมาัตอิมัสมิงกายเยในร่างกายนี่มีมีคำว่าเราไหมจำได้ไม่มีอะไรบ้างเกสาโลมามีผมใช่มีผ ม, ม, ม, ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกกระดูกไส่ใหญ่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตับ ได้ใส่ปุงมามปอดจะถึงมัทเกมัทรลงคันเยอ่อสมองในกระลกซี่จะเจอคำว่าเราไหมแต่ในชีวิตในชีวิตประจำวันเราจะใช้ตัวแทนว่าเราหมดเลยนะเราฉันคุณนะยูไออะไรพวกนี้ไม่เจอคาว่าคำเหล่านี้เลยแสดงว่าเรารู้จักตัวเองหรือยังไม่รู้จักถ้ารู้จักตัวเองที่แท้จริงเราจะต้องมารู้จักในตัวเราว่ามีกี่กี่อะไรกี่ชิน ถึงรวมกันมาเขาเรียกว่าคนมีอะไรชิ้นเล็กๆอยู่สามสิบสองชิ้นที่เราสวดมิวิคีแล้วก็มาประกอบคนเข้าแต่และชิ้นเนี่ยกขาถามโยมว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าคนไหมไม่ได้เรียกว่าคนเรียว่าอะไรอูอย่างเงี้ยถ้าเจกที่ไหนก็ไม่มีคนไม่มีคําว่าเราเลยอ่ะแต่จากที่ไหนก็มีชื่อของเขาหมดแต่ว่าเวลาชีวิตจริงเกิดอะไรขึ้นเรานึกถึงใครก่อน นี่คือเราก่อนนึกถึงเขาก่อนแต่วันนี้นึกถึงผมคนเลื้ยฟฟันหนังเลยใช่ไหมใช่ไหมเริ่มเริ่มแปลกมาเรื่องนี้แปลกถ้าท่านที่เป็นความจริงอะนะแต่เราก็ไม่แต่เราก็ไม่รู้จักทีนี้ไอ้สาสสองชิ้นเนี่ยมันเยอะไปะท่านก็ย่อให้มันเหลือสักเท่าไหร่สี่ใช่ไหมในเรื่องกใจมีหกเรื่องนะท่านให้รู้จักเรื่องที่หนึ่งชีวิตเราอยู่ได้เพราะอะไรส่วนร่างกายเนี่ยอยู่ได้เพราะ ใช่ห้าสี่แต่ว่าที่เราอยู่ได้อันที่หนึ่งคืออะไรขาดมันไม่ได้ขาดมันไม่เกินหนาทีเราเราอยู่ก็ได้เลยขาดอะไร<ช>ลมหายใจใช่ใชไหมอันที่หนึ่งถ้าเขามาด่าว่าคุณลมไปอย่างงี้อย่างงี้เราจะโกรธไห ม, ม ท, ทั้งที่ที่เ้าด่าถูกของจริงนะ<ร>ไอ้ลมอีลมอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ชื่อลมเนะี <laughs> เราก็ไม่รู้สึกเลยถ้าถ้าด่าถูกของจริงอ่ะไอ้ดินอีดินไอ้น้ําอีน้ําไอ้ลมอีลมไอ้ไฟอีไฟเนี่ย ไม่รู้สึกโกรธนะรู้สึกตลบเลยซ้ำไปแต่ถ้าไปเจอชื่อเราเมื่อไหร่นะเอาแล้ว เ, เป็นเรื่องแล้วที่นี้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็แปลกตรงนี้ว่าเรารู้จักตัวปลอมของเราแต่ไม่รู้จักตัวจริงเราเลยเป็นแขกแปลกหน้าสําหรับตัวเองนะตอนนั้นเองวันนี้มาเองก็ว่าเราจะคุยกันเรื่องนี้แหละคุยกันเรื่องตัวชีวิตของเราว่าเรามีธาตุาลมอยู่ได้ด้วยธาตุลมอต่อมาก็ขณะนี้เรา อยู่ในท่าไหนท่านั่งแสดงว่าทําไมเราต้องใช้คาว่าท่าแสดงว่าชีวิตเี่ยเป็นอะไรเป็นเรือหรือว่าเพราะมันมีท่าให้จอดอะนะมีท่าใหญ่ๆอยู่กี่ท่าท่าประอาทิตย์ท่าพระจันทร์ท่าถนนตกนะอท่าราชวงศ์อะไรตรงนี้เนี่ยแต่พอมาท่าอยู่ในกายเขาเรียกอะไรท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนนะ เพราะนั้นหลวเพอเทียนที่กลาว่าจิตเป็นนา ย, นายกายเป็นเรือมีไหมไปคุ ณ, ค, ณคุณเต๋อไปไหนว่าจะขึ้นโปรเจคเตอร์เสอเจ้าเจ้าหน้าที่หายไปละเอาคุณท่านก๊อฟไปทำหน้าที่แทนนี่คแต่ว่าไม่ใช่คอมของตัวเองคงทำไม่ได้นะอ่าราทำหลายหนะ้าที่คุณก๊อบที่กัดไป ค, คุณเต๋อจะเป็นคนถ่ายวีดีโอ ก็จิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป enfin ็นอะไรสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายอ่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือเรามาที่นี่เราพายเรือมานะภายเรือมารู้ว่าถ้าเรือไม่มีหางเสือเกิดอะไรขึ้นอ่าเรือไม่มีหางเสือไปไม่ตรงไปไม่ถูกเป้าหมายก็วนอยู่นั่นนะพายก็วนอยู่นั้นไม่มีหางเสือแต่ถ้ามีหางเสือแล้วไม่มี คนพายหรือมัน ม, มีไม่พายเรือไปได้ไหมไม่ได้นะทีนี้มีคนพายคนพายนั้นถือว่าเป็นนายของเรือแล้วก็ไม้พายเป็นตัว ท, ที่ทำให้เรือไปขิดเป็นนายกายเป็นเรือเราจึงเรียกว่าท่านั้นท่านี้จะไมมีสีท่าท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนเป็นท่าเจาะเป็นท่าเป็นท่าไปแต่ก็ในในท่าใหญ่ๆมีสีท่ายืยนเดินนั่งนอน ในธาตเราเรียกว่าตัวอาการ32เนี่ยถ้ามาย่อก็เหลือแค่ธาตุสี่ธาตุดินกับธาตุน้ำนะธาตุดินกับธาตุดินกับธาตุไฟทัตน้ํากับทัตลมบวกกันถ้าสมมุติว่าธาตุไฟกับธาตุดินความรู้สึกจะเป็นยังไงถ้าธาตุไฟกับธาตุดินมาบวกกันจะรู้สึกทั้งร้อนและทั้งหนักใช่ไหม แต่ธาตุน้ํากับธาตุลมมาบวกกันทั้งเย็นแล้วก็เบาสบายใช่ไหมเพราะนั่นในร่างกายของเราจะมีความรู้สึกกี่กี่ความรู้สึกหลักๆ<อ>มีสองความรู้สึกใช่ไหมถ้าขณะนี้เรานั่งมานานๆรู้สึกหนักเป็นธาตุอะไรธาตดินเรารู้สึกอบอ้าวเรืยเป็นธาตุไป<ว>อ่าทีนี้เราจะทำไงใ ห, ให้มันไม่อ่ามันไม่ร้อนอ ความไม่สบายใช่ไหมมีความไม่สบายเกิดจากทอนความคาหนักความอึดอัดความไม่สบายกายไม่สบายทั้งทั้งกายทั้งใจบางครั้งแต่พอเราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวจะเป็นธาตุอะไรอนไหเป็นธาตุลมอ่าอย่าพัดลมมันเคลื่อนพอมันมันมันเคลื่อนมันพัดเราไม่เกิดอะไรลมทําให้เกิดอาการของน้ําเป็นเยน็นแต่ที่นี้เราเอ า, เอาการที่ยนเย็นนะอาการน้ําร้อนนั้นเราจะเห็นว่าธาตุสบายเนี่ยคือธาตุลม กับธาตุน้ําธาตุไม่สบายคือธาตุไฟกับธาตุดินด น, นะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยอาการทั้งสองนี้เราเรียกว่ารูปกับน้ำนะกายกับใจรูปกับน้ำทีนี้ไอตัวที่เราจะปรับทั้งธาตุทั้งสีให้มันอแต่ความจริงแล้วมันจะมีทั้งอะไรทั้งสบายแล้วไม่สบายใช่ไห ม, มก็เลยกลายเป็นสูตรนิมานสูตรเจริญสติภาวนาแบบ mm hmm. เคลื่อนไหวนะเจ้าของสูตรเคยเห็นไหมธาต น, นี้ แต่คนจริงหลวงพ่อเทียนจริงท่ไม่ได้ใส่สูตรนี้นะสูตรนี้นี่มังเชิญเขานิ่มุนท่านไปอ่าไปสอนวิธีการขึ้นไหวที่สิงคโปร์ที่วัดเซนท่านอาจาวัชเชียรท่านยมดาปรากฏ ว, ว่าท่านยามดาได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าเป็นอาจารย์เจ้าสํานักเราเปอาจารย์เซนหลงพอไปสอนก็เลยเพื่อเป็นเกียรติเกีท่านเพื่อเกียรติเกียหลวงพ่อเทียนท่านก็เอาเสื้อคลุมของท่านอ่ะไปให้หลวงพ่อเทียนใส่เพื่อเป็นที่ระลึก ทีไหนได้พวกเอาเผยเอาภาพนี้มาเผยแพร่ทาให้หลายคนนึกว่าไอ้หลวงพ่อเทียนควใส่ชุดนี้ตลอดเป็นชุดเซนแต่ไม่ใช่นะชุดนี้เป็นชุดที่พระเซนท่านขอร้องให้สวมเพื่อเป็นเกียรติสํามัะของท่านนะทีนี้เริ่มต้นด้วยร่างกายกับใจจะได้เห็นนะ่ะสูตรที่สูตที่หคือดูกายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดรู้กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมอันนี้ชุดหนึ่งเลยนะค่อนข้างจะเป็นเป็นศัพท์ ขณะ น, นี้เราเคลื่อนไหวพอาท่าใดเลยเรารู้ไหมว่าวันหนึ่งเราเคลื่อนไหวกี่ครั้งมีการเคลื่อนไหวเท่าไหรในชีวิตชีวิต จ, จริงของเรามีการเคลื่อนไหวเท่าไหรตั้งแต่ตื่นนอนเลยเคยนับไหมอันเข้าชั่วโมงเนาะไม่สาราบไม่อาจจะนับได้ว่ามันมากเพราะฉะนั้นในเมื่อการเคลื่อนไหวเรารู้ตัวไหมในชีวิต จ, จริงของเรา รู้บ้างรู้ตอนไหนตอนที่จะหยิบเจะของจะรู้การเคลื่อนไหวของตัวเองรู้รู้การเคลื่อนไหวสิ่งที่เราต้องการเนะี่ยมือเราไปจับแก้วน้ําถามว่าเรารู้ที่ <c oughs> โหน้ําอยู่ที่นู่นจับไม่ถูกคุณวิรัต์ก็เลยผมข้อมือไม่ยาวพอเนะี่ยที่จะเท่านู่นน่นนูยกมาไว้ตรงนี้เพื่อว่าจะผมข้อจะใช้เป็นอุปกรณ์การทําความเข้าใจก็ยกมาทั้งชุดที่คุณทั้งชุดเลยเออ ทีนี้ในเมื่อเราเคลื่อนไหวชีวิตของเรามีการเคลื่อนไหวเราต้องการที่จะไปเอาวัตถุอันใดอันหนึ่งที่เราต้องการถามว่าแขนที่เราเคลื่อนไหวไปจับเนี่ยเราใจเราอยู่มือที่ยื่นไปจับหรืออยู่ที่แก้วที่จับเห็นไหมกิบเบิลเซนอยู่ที่มือรู้ไหมมือยื่นไปไงนี่รู้กิบเบิลเซน แทบจะนับเปร์เซ็นตไม่ได้เลยใช่ไหมแต่พอเราพ่อใจมาอยู่ที่ที่นี่ก่อนแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้คือสมูทยัยทําให้กายกับใจไปไงแยกกันแล้วก็ตั้งแต่เกิดมามีคนบอกเราไหมว่าเออให้กายกับใจไปด้วยกันนะมีคนบอกเราไหมจนบางคนจนถึงป่านนี้แล้วก็ยังไม่ยังไม่มีใครมาบอกว่าเออถ้ากายกับใจนี่แยกกันนะอันนั้นคือเหตุแห่งทุกข์นะเขาเรียกว่าอะไรเกิดแกลในสังคม ว่าสังคมมีช่องว่างมากสังคมนั้นสบายไหมเป็นทุกมีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนคนสบายคนไม่สบายอะไรก็ตามมีแกปมีช่องว่างเน้นกายกับใจเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถรวมกายรวมใจด้วยกันมาจนป่านนี้นะเราก็ไม่ได้เกิดมานั่งทุกข์แบบนี้เราเราไปสู่ที่นิพพานนานแล้วแต่ด้วยที่เราไม่สามารถที่จะ ดึงกายดึงใจมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องเรียนว่าเด็เกิดอยู่เนี้ยนะมันจะเกิดตัวไปเกิดก่อนนั้นกายกับใจนะรูปกับนามเนี่ยเห็นถ้าดูกายก็รู้จิตทีนี้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวเองหรืออะไรทําให้เคลื่อนไหวที่เราดิ้นไปดิ้นมาได้เนี่ยเราโยกไปโยกมาได้คนตายมีลมไห ม, มเอาไม่มีได้ไงมันอืนพดพุองขึ้นไง ว่าไอ้ไอ้เคลื่อนลมแต่ลมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากที่เราเจตนาเพราะฉะนั้นเรามาใช้ท่าลมให้เป็นประโยชน์ในการเคลื่อนไหวว่าย ก, ยกมือเราไม่ใช่ยกมือละทีนี้ยกอะไรยกกายหรือยกรูปนะเราเรียกว่ารูปนะทีนี้กายเป็นส่วนหนึ่งของรูปนะนี่ก็เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดเพราะกายมันเคลื่อนไหวเองไม่ได้มันต้องนึกกันสมมติว่านิ่งๆองนี้ย น, นึกว่าจะ เอาน้ํามันถึงกายใจนึกเขาแค่นึกนะนึกก็ไปจับมายังไม่ทันคิดนี้ถ้าหากว่าแค่นึกเนี่ยมันทาให้ตาหูจมูกลิ้นกายทําหน้าที่แล่นี้เรียกว่านามนะแค่นึก อ, อยังนำแล้วพอคิดนึกกับคิดต่างกันไหมเรื่องนี้น่าเครียดนะไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะแต่ถามว่า น, นึกกับคิดต่างกันไหย มันคนว่าอันเดียวกันเวลาเรากับทำอะไรสักอย่างเนี่ยทำเน้วหรือทำพรอกันหานิ้วทำหน้าที่ตั้งแต่ละอันใช่ไหมพอแล้วนึกแต่ความจริงมันมีคำว่ารู้รับรู้รู้สึกนึกคิดแล้วก็รู้จักากายกับเวทนาเนี่ว่ารู้สึกแล้วก็สัญญานึกสังขารคิด แล้วก็จิตก็รู้รู้จักรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นมื่ก็ทํางานร่วมกันทนนนั้งห้านิ้วพอพอจับปั้มเนี่ยแก้วสมมุติแก้วมมน้ววนำเย็นน้ําของเราก็จะบอกว่าเย็นถ้าสมมติว่าเอ๊้แก้วน้ําเย็นเป็นน้ําอะไรน้ํากดน้ ำ, นำเป๊ปซี่โซาราน้ํามันไอการที่จิตนึกไปอย่างนี้แล้วคิดออกมาเป็นเขาเรียกตัวรู้นะอันนี้รู้สึกนึกคิด นั้นเองในชีวิตของเราเนี่ยวันหนึ่งเราใช้มันตลอดเคลื่อนไหวตลอดจิตก็คิดตลอดแต่ว่าเพราะเหตุไรเราจึงไม่สามารถรู้จักตัวเองได้เพราะมันไปพลงังกายไปทางใจไปทางแต่ว่าการเจริญสติที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยนะการเจริญสติถ้านํามาบัญหยัดชื่อว่าสติประฐา 4, นสี่นะอันนี้พูดไว้เฉยๆเนี่ยยังไม่ได้เอามาในกายเคลื่อนไหวรู้กาย เราจะเห็นจิตข้ออะไรจิตกับกายเราเห็นการเคลื่อนไหวของกายเราก็รู้ว่าเออจิตมันเคลื่อนนะพราะกายนี่มันเคลื่อนเองไม่ได้อย่างคนตายเนี่ยมีกายไหมออมันก็ดิ้นไม่ได้มันขาดขาดจิตเพราะงั้นเวลาเราจะดูกายจะดูจิตก็ไม่ยากมาดูที่กายนะแล้วก็รู้คิดก็เห็นธรรมหมายว่าโอ้วันนี้มันคิดอะไรเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเห็นเรื่องคิดดีบ้างไม่ดีบ้างธรรมมีสองอย่างนะ เพราะในขณะที่เรานั่งตัวนี้เรารู้สึกหนึ่งในที่นี้นะ ร, รู้สึกหนักเห็นไหมว่าใครหนักกายหนักหรือใจหนักบางคนก็หนักทั้งสองอย่างใช่ไหมทั้งกายและใจนะนี่แต่ถ้าหาว่าคนที่ไม่เคยภาวนาก็หนักทั้งสองทางคือทั้งกายและใจแต่คนที่เคยภาวนาแล้วก็จะรู้จักว่าเออกายนี่มันหนักอาจจะทําไงมันให้มันเบาหนักนี่เป็นอาการของธาตุอะไรธาตุดิ น, ท, ดดนทีนี้จะทําไงธาตุดินมันเบา ก็พยายามปรับเนี่ยสมมุติว่าเรานั่งนานเราก็ปรับเขปรับนิดหนึงไอลักษณะที่ปรับเคลื่อนไหวเนี่ยอาการหนักก็หายไปอารมณ์มายกออกอ่าอารมณ์มายกออกพอหายไปปั๊บรู้สึกเอ่ยเบาดังนั้นในการดูกายที่จะเห็นจิตได้ต้องรู้ที่หนักและเบาที่ปรากฏในกายถ้าจะไปรู้ที่ใจก็ไปรู้ที่พอใจและไม่พอใจมาดูที่กายดูหนักดูเบา ดูแค่เนี้ยว่าดูรู้รู้กายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมแล้วก็ดูกรรมเห็นปรมัติเช่นผมก็จะทําเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมมโนกรรมกายยิ้มออกไปเนี่ยเป็นเป็นกายกรรมใช่ไหมแล้วก็ไปจับขณะที่จิตร่วมกับกายไปจับเนี่ยรู้นะตามบุถรถ้าหากว่าเราไม่รู้ก็ได้แล้วก็หยิบปั๊บก็ดื่มปั๊บอันนี้เขาเรียกว่า ไม่เห็นกรรมคือไม่เห็นการทาการการะท้องกายแต่กายนี่มันไปด้วยอำนาจอะไรอานาจสันนัลสัญชาติยานไม่เป็นปัญญายานแต่พอเรารู้ว่ามือเนี่ยจะต้องไปจับน้ำ้มมาตั้งตัวรู้ที่มือแล้วก็เคลื่อนไปแล้วไปจับแล้วเอามาลักษณะนี้เรียกว่าดูกายเห็นดูรู้กรรมเห็นปรมัติ ตัวกับกายกับใจมันอยู่ด้วยกันเราเรียกว่าปรามัดในซับใหม่นะถ้ากายกับใจแยกกันเรียกว่าสมมุติถ้ากายกับใจรวมกันเรียกว่าปรามัดมันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราสัมผัสด้วยความไม่รู้เรียกว่าสมมุติว่าฉันดื่มน้ําแต่ถ้าหากว่าสัมผัสด้วยความรู้เรียกว่าปรามัดเพราะรู้ว่าฉันกําลังทําอะไรสําหรับคนใหม่เริ่มงงและเรื่อเครียดแล้ใช่ไหมบอกว่างานนี้มาผิดงานแล้วเนี่ย เริ่มงงแล้วเริ่มเครียดเพราะนั้นคนใหม่ต้องอต้องเห็นใจกันหน่อยนะเพราะว่างานนี้ไม่ใช่งานมาสนุกนะได้งานมาศึกษาแต่รอบรองว่ากลับไปบ้านเราจะสบายใจเพราะอะไรพ่อหลวงพ่อไม่ได้ชวนออกนอกเรื่องนะอยู่ในเรื่องเสร็จแล้วก็ในกายเนี่ยประกอบด้วยหส่วนหนึ่งที่ถามว่าอูต้นคืออะไรนะลม<ด>ใช่ไหมสองอีโบดสี่ยืนเดินนั่งนอนสามขณะที่เรานั่งมีอีโบดย่อยไหม มีอะไรบ้างในบทย่อยพับตาหายใจเหลียวซ้ายไหลขวาอ่าขยับหน้าขยับหลังโยกอันนี้เขาเรียกอะไรยบุบท ย, อย่อยเรียกว่าสัมปชัญญปะประภะอ่ามีสามเลยนะอันที่สี่ไอ้การที่เราเคลื่อนไหวได้เป็นเพราะวายโยธาตคือธาตุลมที่เรานั่งได้โดยที่ไม่ล้มเป็นเพราะธาตุอะไรธาตุดินอ่าปฐวีธาตุแล้วขณะนั่งเนี่ยเรารู้สึกเย็นไหมรู้สึกร้อนไหมรู้สึกร้อนเป็นธาตุอะไร ธาตไฟเไลวลาปรับเปลี่ยนแล้วรู้สึกเบาขึ้นลักษณะเบานี่เป็นธาตุธาตุอาการหนักมันหายไปอ่ะอาการหนักหายไปก็เกิดเย็นสบายก็ธาตุน้ําน้ําก็ประสานทั้งสี่ธาตุเข้ด้วยกันเนี่ยธาตุสีนะมีลมหายใจมีธาตุสีมียบุตรสียบุตรย่อ ย, ย, ยแล้วก็มีอาอาการสามีสองว่ามาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีธาตุาสีอาการสามีสองแล้วอันสุดท้ายอืใครเดาได้บ้าง อสุภะนะอสุภะคือความไม่สบายถ้าหากว่ามันเป็นความรู้สึกก็คืออสุภะอสุภะแปลว่ามันไม่งามนะไม่สบายอาหารที่อยู่ในจานเนี่ยงามมากเนาะทานเอาทานเอามันอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงมันจะออกทีเนี้ยไอตอนที่มันจะออกรู้สึกงามหรือไม่งา ม, ม, งามปวดท้องงามเหร อ, ไ ม, มอไม่งามนะหน้าเบี้ยวนะอะคนปวดท้องหน้าเบี้ยก็เอาไป ออกในห้องน้ำก็ยิ่งไม่งามไปใหญ่ใช่ั้ยกินอาหารที่หอมๆกายไปกินอะไรกินเหม็นละอรรไออร่อยอร่อยไปไงออกมาก็เป็นรสไม่เข้าท่าเลยนะเ <c oughs> นี่ยลักษณะที่ว่าในร่างกายจะมีหกอย่างแค่นี้แต่เราเคยแล้วคำว่าเราก็หมายถึงสี่หกสี่นี้ร่วมกันแล้วก็ทําให้เราต้องอยู่กับมันอยู่อย่างนะี้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เราจะอยู่กับ ตัวของเราเองอย่างสบายั้ยไม่สบายเพราะอะไรมันเป็นความจริงเป็นความจริงเกินไปทุกวันเนี่ยเราสัมผัสแสงสว่างของดวงอาทิตย์แต่เราเคยยืนมองอาทิตย์มองดวงอาทิตย์ถึงห้านาทีไหม่ั้งทานทีมันให้แสงสว่างทำไมเราไม่มองมันมองไม่ได้ เพราะมันจริงเกินไปมันแทงตาเราความจริงเหมือนแต่เราดูเงามันได้ดูเงาไอ้เกิดจากแสงเนี่ยดูได้มันเบาใช่มดฉะนั้นตัวความจริงในตัวเราเราไม่อยากจะมองมันเพราะมันจริงเกินไปมันแทงใจเรามันแทงตาเราเหมือนแค่แสงวัทถี่มันจริงเกินไปแต่ว่าไหนๆเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าจะมองก็ได้ต้องมีวิธีมองมองยังไงมองวัตถดโดยที่ไม่แสบไม่ไม่แสบตาใส่อะไร ออใสแว่นกันแดดดูเรื่องในะส่แว่นกันแดดจะดูนานเท่าไหร่ก็ได้นั่นแหละเรากําลังมาหาแว่นกันแดดเพื่อทจะมองความจริงได้ด้วยความรู้สึกที่สบายแว่นกันแดดตัวนี้เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะสองข้างนะใช่ไหมอ่าวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องนี้ดูกายเห็นจิตวิคี้นี่ทำเราไปแล้วจิตนี่อะไรต่ออ่าจิตว่าเมื่อกี้นะจิตเป็นนาย กลายเป็นเรือสติเป็นหังเสือปัญญาเป็นคนพายดูรูปเพื่อตามดูจิตาดูรูปนามเพื่อตามดูจิตรู้นามรู้นามรูปเพื่อตามดูคิดนะเออตัวนี้ยากขึ้นอีกนิดนะพูดถึงว่าจิตเป็นนายทุกวันนี้จิตเป็นนายเราเป็นนายของจิตหรือจิตเป็นนายของเร า, ร า, า <c oughs> เอ อ, เ อ, อ เราเป็นนายของจิตหรืจิตเป็นนายของเราถ้าเราเป็นนายเนี่ยเราเราก็ใช้จิตได้ตามต้องการใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยอย่างลืมของเนี่ยเราต้องการมอ่าโกรธเนี่ยเราต้องการให้โกรธอ่าแล้วก็โลคหลงเนี่ยเราต้องการมันไหมแต่ทําไมเราทําตามมันแสดงว่าเราไม่ได้เป็นนายผู้จิตเพราะเราบังคับเขาไม่ได้ตามต้องการใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะทํำอะไรถึงจะบังคับเขาได้เอาอะไรมาบังคับ ตามที่เราไปตามเขาเนี่ยด้วยอํานาจของความเราอยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นอย่างที่เราต้องการเช่นความโมโหความชุนเชียวกันไม่สบายการที่เราสูญเสียอะไรต่างๆแล้วก็เป็นทุกข์สูญเสียลูกสามีภรรยาสูญเสียทรัพย์สินเงินทองสูญเสียบ้านช่องสูญเสียเพื่อนหรือพ่อแม่เนี่ยเราต้องการมันไหมไม่ต้องการแต่ว่าเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้แล้วใจเราทำให้ทุกข์ด้วยเราห้ามเขาได้ไหมถ้าเราเป็นนายเขา ก็ไม่ได้ทีนี้เราจะทำอยางที่ใครเป็นนายเราในขณะที่เราทํานนายมันมีสองชุดนะนายคือความอยากนะเราอยากยากให้เขาอยู่แต่ไม่เป็นตามนั้นเราอยากจะให้เขารักแต่ไม่เป็นตามนั้นอยากจะให้ข้าเราก็ <c oughs> ไม่เป็นตามนั้น <c oughs> เพราะว่าอันนั้นเป็นความอยากเป็นนายเรานั้นเวลาเรามาเจริญมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการนายคนใหม่นายสติก็นายสมบัตญแ เหมือนที่เราต้องการที่จะดูแว่นนะเพราะนั้นในจุดนี้มาก็เลยว่าโอ้เป็นเรื่องที่ต้องฝืนละไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแต่ปัจจุบันนี้คนไม่ต้องการจะฝืนอะไรมากเกินไปยิ่งฝืนปรากฏว่ายิ่งทุกข์ยิ่งฝืนปรากฏว่ายิ่งทุกข์แต่ไอการที่เราจะอยู่กับความจริงมันต้องฝืนเราใช้คําว่าทวนกระแสจําได้ไหมตอนที่พระพุทธเจ้าท่านไปก่อนที่จะมากลับมานั่ง บาลังที่ตรัสรู้เน่ยพุทธเจ้าไปลอยอะไรนะลอยธาตุใช่ไหมแล้วล<า> อ, อยถาไม่ใช่ธาตุเนี่ยพอลอยปั๊บเนี่ยพระท่านอธิษฐานว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะตัดกิเลสได้คลายกิเลสขาดหรือเอาชนะใจของตัวเองได้ขอให้ถาใบนี้จงลอยทูลไปแส่แต่ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจไม่สามารถที่จ ะ, ะตัดกิเลสได้คลายกิเลสหลุด ขอให้ถาดใบนี้ไปตามกระแสแล้วยอมไปที่แม่น้ําเจ้าพระยาไปนี่ฐานบ้างถ้าข้าพเจ้าจะไม่ตายแล้วไซสนะ์ขอให้ถาดใบนี้จงทวนกระแสถ้าข้าพเจ้าจะตายแล้วไซส์ขอให้ถาดใบนี้ตามกระแสถูกหรือวะหรือข้าพเจ้าจะไม่ตายแล้วไซส์ขอให้ถาดในี้จงทวนตามกระแสถ้าข้าพเจ้าจะตายแล้วไซส้ขอให้ถาดใบนี้้ทวนกระแสจะเป็นไปตามที่เราต้องการไหม ไม่เป็นแต่ทําไมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นน่ยมีฝรั่งคนนึงมาถามเตมาชื่อในจีนเนี่ยคนอยู่ที่ที่รัฐวัลลัสเลยกันว่ามีโยมสร้างถวายเมื่อยี่สิบปีก่อนก็ถามเตมาร์ว่ า, า, อ า, วาเอ๊ะาศาสดาของท่านในเวลาตัดสรูเนี่ยตามที่ฉันอ่านบอกว่ามีแม่ธรณีบีบมวยผมมาช่วยน ะ, ะแสดงว่ า, าศาสดาของท่านไม่ได้ตัดสรูเองมีเมธีแม่ธรณีมาช่วยใช่ไหม ในศาสนาสันรรมถ้าไม่ได้เก่งกัดอะไรเลยเราจะอธิบายเขาอย่างไงเนี่ยโอ้โหอมาก็บอกว่าคุณอ่านเหมือนกันแต่คุณอ่านหนังสือไม่ออก <c oughs> <c oughs> คุณอ่านได้แต่ตัวหนังสือแต่ไม่รู้ว่าตัวหนังสือเข้าหมายความว่าอย่างไรแต่ทีนี้เราก็บอกว่าในพุทธศาสนาเราพูดภาษาใจเนี่ยแต่ภาษาใจมันแอบสแตรกมันภาษาที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ต้องมาใช้ตัวที่เป็น อ่าภาษาสมมุตินะนั่นหมายความว่าไงคนเราที่จะประสบผลสําเร็จได้เนี่ยต้องอาศัยคุณธรรมสองอย่างทีนี้คุณคุณธรรมสองอย่างเนี่ยถ้าบอกคุณธรรมว่าความอดทนปัญญาเนี่ยคุณรู้จักตัวไหมความอดทนเป็นไงตัวเป็นไ ง, ต, นไงตัวปัญญาไม่รู้จักแล้วตัวปัญญาเป็นตัวอย่างไรก็ไม่มีตัวใช่ไหมแต่ในพุทธศาสนาเราฉลาดเราใช้สองภาษา ใช้สองภาษาราชภาษาคนและภาษาธรรมดันภาษาคนบอกว่าเ อ, อแม่ธรณีเพ อ, อะไรเพราะพระพุทธเจ้าอธิษฐานว่าอตอนที่ไปอธิษฐานปรากฏว่าพอตอนอธิษฐานถ่ายลงน้ําเนี่ยถ่ายทนขึ้นหรือทวนลงทวนกระแสรหรือตามกระแสอ่าทวนกระแ ส, ะ ท, ะแสท่านก็มั่นใจมากโอ้จังไดอย่างงานอย่างนี้ทําไงก็ได้ได้เข้าถึงได้บรรลุธรรมแน่อนอนถ้ากลับมา เากมาที่ฐานเลยว่าถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถแม้ผมคนแม้เลือดเนื้อเหงื่อเอ็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแตกสลายไปจะดับไปก็ตามถ้ายังไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจธรรมไม่สว่างในธรรมฉันจะไม่นุ้งจากที่นี่แต่ตอนนั้นพุทธญาบรรลุธรรมหรือยังตอนที่พยามารยกกองทัพมาบรรลยอยุอะไรเงี้ยเอสงสัยนะพุทธเจ้เข้าถึงธรรมหรือยั ง, เ, งเข้าถึงแล้วใช่ไหม อ่ามีใครว่าไม่เข้าถึงย่อมือขึ้นมาแสดงว่านักเรียนใหม่มีเยอะอยู่นิดนึงย่อมือเรียกว็ไม่แน่นใจนะ่ผู้ที่เจ้าบรรลุธรรมแล้วน่ะได้อธิษฐานจนกระทั่งเห็นในคืนวันนั้นพอมารกทราบข่ า, าวเช้าไปมายกของทํามาตอนเช้าก็ปรากฏว่าท่านบอกว่าทึกทักว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมแล้วก็ทนกระแสทำลายกิเลสได้หมดนี่ยท่านพูดโดยเองจริงท่านไม่ได้เป็นหรอก เพราะาถ้าอยู่คนเดียวนี่จะพูดเอาไงก็ได้ใช่ไหมไม่มีใครมารับรู้ด้วยเนี่ยอนั้นนี่นเราบอกว่าท่านก็ถึงทําใครมาเป็นพยานท่านก็ชี้ลงดินใช่ไหมพอชี้แล้วอะไรเกิดขึ้นแม่ธรณีปุดขึ้นมาปุดขึ้นมาเป็นพยานนี่แม่ธรณีดไปพอแม่ธรณีปุดขึ้นปั๊บแม่ธรณีทาําไงก็บีบมวยผมเลย มีบมือผมเพราะโกรนน้ำที่หลังออกจากเมือผมไม่ทเลนีเหมือนกับทะเลนะพุ่มพวงออกมาทุ่มทับตายทุ่มทับมานตายหมดอันนี้ตำราว่าไว้อย่างนี้ใช่ไหมฝรั่งมันก็ไปอ่านอย่างนี้แหละมันก็เชื่อตำนั้นแต่เราก็บอกว่าทั้งหมดทั้งปวงนะมันเป็นสมบริคเป็น representative ข, รรของปริศนาธรรมง่ายก็เป็ตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของปริศนาธรรมไม่ใช่ตามนั้น อ้าวคุณแบมมาแล้วคุณแบมแบแบยู่จุมอาจารย์ฝรั่งเศสมาจากอีาากยิปต์มก็เลยมาเข้าริทิเที่มาเ็ดวันเพราะฉะนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แม่ธรณีทําไมจึงเป็นสัญลักษณ์ของความหนักแน่นความอดทนถ้าจะไปชี้อย่างอื่นคือว่าแม่ธรณีหมายถึงความหนักแน่นความอดทนใครจะด่าจะว่าใครจะกุ่นจะขุดใครจะเผาะจะ ทำลายก็ตามแผ่นดินเคยแสดงความโกรธความเกลี ย, เยดเราไหมไม่เคยถ้าของเน่าของเหม็นก็ไปฝังที่ดินก็หายเน่าหายเหม็นเพราะฉะนั้นคนคนไหนก็ตามที่มีความอดทนความอดทนใครจะด่าเจ้ว่าจะบุญใครจะใส่ร้ายใส่อะไรก็ตา ม, า ม, มก็หนักแน่นไม่แสดงอาการนะเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบสําเร็จมีองค์ประกอบอันที่หนึ่ ง, งต้องมีความอดทนสูงมากการที่เจ้าชายสิทธิธรรม อธิษฐานว่าจะไม่ทุกจากที่นี่แม้เลือดเนื้อเหื่อเอ็นทุกอย่างทุกอยางจะแหงเหืนแห้งไปก็ตาม อ, อธิษฐานแต่ถ้าหากพระองค์ไม่มีคุณธรรมอีกอันหนึ่งจะอธิษฐานอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ต้องมีคุณธรรมอีกอั น, นคือจะต้องมีมวยผมนะมวยผมนั้นคือจะต้องมีมวยผมเปรียบเสมือนรูดน้ำออกมาถ้ารูดน้ำแล้วน้ำไม่ออกมาเป็นไงเราก็ไม่มีผู้นี้เจ้าถึงวันนี้นะฮะ รูดน้ํามวยผมออกมาท่านหมายถึงตัวธรรมะคือปัญญาต้องมีปัญญาในขณะที่เราอดทนเนี่ยเราจะต้องมีปัญญาด้วยถ้าอดทนอย่างเดียวไม่มีปัญญาความอดทนคือขันติมันก็จะกลายเป็นขันนั่นแหละขันแตกคือหาทางออกไม่เจอนะอดทนอดทนอดก็ในที่สุดก็ขันก็แตกเช่นเราไปกินยาตายใช่อ่าโดดน้ําตาย ยิงตัวตายผูกคอตายหรือใ น, นญี่ปุ่นมีที่หนึ่งี่ยคนมกักจะไปโดดสะพานตายที่นั่น <c oughs> ก็ชื่อเสียงคนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่ามันหมดความอดทนปัญหาอัดอๆเข้าไปทุกวันทุกวันแล อ, ออกไม่มีทางออกปัจจุบันนี้ก็มีอยู่นะประเทศไทยของเราตามสถิติว่ามีคนฆ่าตัวตายทุกๆกี่นาทีนะทุกๆหานาทีไอ้ น, อนนี้เนะี่ยอันนี้สถิติเขาว่าไว้นะดังนั้นเอง เมื่อเราไม่มีความอดทนเราจะสู้กับกิเลสเราไม่ได้ความอดทนมีลักษณะสี่อย่างหนึง่งอดทนต่อความเจ็บปวดในขณะนี้นั่งเริ่มปวดขายอะไรยังเริ่ง่วงยอะไรยังอ่าถ้าง่วงนี่ยังไม่อดทนนะถ้าปวดขาแต่ถ้าปวดขาก็นั่งแช่อย่างนี้ทาให้เกิดเป็นเงินหนักใช่ไหมปวดหลังปวดเดยวแล้วทำํำไงต่ออ่าลองทุกคนลองลองยืดตัวคนเดียว ดูดัวลุกขึนเลยลุกขึ้ น, เ, นเราจะเห็นว่าไอ้ความหนักมันหายไปไหนมันกลายเป็นไม่น้ำอะไรอ่าเอเบาใช่ไหมตัวลักษณะเบานี่เป็นลักษณะของน้ําลักษณะเย็นลักษณะเบาเย็นสบายลักษณะนั้นหายไปละถ้าสมมุติเรานั่งไปนานๆมีแต่ขันติความบทุนอย่างเร็วมันก็จะทุกข์ทรมานแต่พอเราเปลี่ยนปั๊รู้สึกเบาสบายอันนี้เรียกเป็นธาตุลมที่เราลุกขึ้นยืนได้เป็นธาตุลม ที่มันคลายไปธาตุหนักหายไปก็ไฟก็น้ําก็ไปดับไฟอีกทีหนึ่งธาตุน้ําก็ไปดับไฟทําให้เกิดอาการเย็นสบายขึ้นมานี่เรียก ว, ว่าให้เห็นอย่างนี้ก่อนถ้าเจ้าชายศิษฐธธะไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะออกจากความคิดได้ที่ถามว่าความคิดที่เข้ามาที่กองทัพพญามานคืออะไรกันแน่เอานั่งลงทีนี้เรจะเห็นมานต่อไปตอนนี้มานหายไปแล้วนะเห็นไหมขจัดขจัดมานได้ไหม มันคือความปวดความหนักที่คือมานเขาเรียกาขันธ์เทมานอ่ามีขันธ์เมานพอเราลุกขึ้นปับ๊บตัวแม่ธรณีบีมวยผมบอกแล้วทําให้อ่าตัวปัญญาตัวสติปัญญาที่ทําให้เราลุกขึ้นได้เกิดสติและเกิดปัญญาเห็นเห็นอาการที่หนักหายไปไหมยังไม่เห็นถ้าสมมุติเราลุกขึ้นปับ๊บโดยที่ไม่เห็นอาการหนักหายไปไม่เห็นอาการเบาเกิดขึ้นถือว่า รู้จักตัวเองหรือยั ง, ยงไม่รู้จักแต่เรามีสติเรียกว่าสติแบบสันชาติยานสติสันชาติยานมันจ ะ, ะให้เรารู้ตัวชั้นเดียวรู้แต่กายว่าความหนักกายหายไปแต่คนหนึ่งมีสติระดับที่สองและสติที่เป็นปัญ ย, ยานก่อนที่จะลุกขึ้นตามรู้ความหนักใั้นชัดก่อนพอลุกขึ้นความหนักหายไปความเบาเกิดขึ้นการตามรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความหนักเบานี้เรียกว่า ตัวสติสัมปชัญญะที่จะพัฒนาเป็นตัวปัญญาญาต่อไปนี่มาเริ่มต้นง่ายๆอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยนะเพราะว่าในในแง่ของสติปัฏฐานที่พุทธเจ้าตรัสไม่ใช่ เ, เป็นเรื่องคิดเอาไม่ใช่เป็นเรื่องเดาเอาแต่เป็นการสัมผัสเข้าไปในสถานการณ์จริงๆของชีวิตสมมุติเรายกอของหนัก เพื่ออะไรเพื่อจะมาดื่มนี้เนี่ยเรารู้ขบวนการตั้งแต่เริ่มรู้ที่ไหนรู้ที่มือรู้ที่แก้ ว, กวถ้าไปรู้ที่แก้วเลยกลายเป็นสันชาติยานแต่ถ้าเริ่มมือก่อนที่จะไปถึงแก้วจับจับแล้วรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็ ง, ขงตึงแล้วยกขึ้นหนักบ่ก็เคลื่อนมาเพราะฉะนั้นสติที่จะเป็นสันชาติยานมันจะมารู้ที่แก้ว absolutely 100% 100% เต็มนะแต่พอมารู้ที่มือแล้วก็ร่วกับแก้วด้วยเห็นความหนักใช่ไหมรู้จักความเย็นขณะนั้นจิตรเราออกไปข้างนอกได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราแล้วต้องได้บังคับมันไหมไม่ต้องบังคับแต่ลักษณะที่เรามารู้โดยอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวปัญญาที่เป็นโลกุตระ เพราะนั้นปัญญาที่เป็นโลภุตระนั้นไม่ใช่เป็นการนึกคิดไตรตรองหรือการไข้ครวญแต่เป็นการปัญญาที่เกิดจากการสัมผสัสที่ใช้ควาประจักษ์นั้นเวลาเราสวดทําวัดเช้าเคยเคยสวดมางคนว่าเกวรสะทุกขขันธะสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทำชะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัด คขาว่าปรากฏชัดนี่มันต้องได้คิดไหมเวลาลุกขึ้นน่ะปรากฏชัดไหมปรากฏชัดอ้าวเปลี่ยนต่อไปท่านบ๊อกก็ต้องได้บอกทุกฉากนี้ไม่ไหวนะเราท่านจะรู้จักตัวเ อ, องรู้จักทําเพื่อรักษากายนะอ่าทีนี้คําว่าปรากฏชัดอะไรปราก ฏ, คว า, กากฏความรู้สึกปรากฏใช่ไหมความรู้สึกปรากฏรู้จักรูปเพื่อรักษากายอ่า รักษากายนี้ไม่ให้หนักไม่ให้หน่วงไม่ให้ทุกข์ทรมานเนี่ยเรารู้จักรูปละมิชีเห็นรูปนามหรือยังรู้แล้วเนาะมาจากป่าสุขโตอ่ารู้จักรูปนามเดี๋ยวจะให้มิชีอธิบายเรื่องรูปนาำให้ฟังอาคือรู้จักกายแล้วรักษากายเป็นเลยเขาเรียกจรงว่ารู้จักรูปจากนามแต่รู้จักกายรักษากายไม่เอาคนที่รู้จักรูปจากนามแล้วตั้งแต่มารู้จักรูปนามมาปีสามศูนย์สองเก้าสามศูน ได้คงยิ่งปฏิบัติการโเทียนมานานนะแต่ ว, ว่าเนื่องจากมันปัญญามันน้อยหรือรู้ช้าหน่อยนะรู้ช้าหลังจากรู้จกัก เ, เข้าใจรูปนามแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ทุบขกากอีกเลยเพราะรู้จักวิธีรักษาช่วงหลังมาเอามาก็เลยเอามาใช้วิธีการรู้จักนามเพื่อรักษาใจรู้จักการรู้จักรูปธรรมรูปนี่มาทํางานตลอดเวลามันทํางานอะไรบ้างรูปฮะทำงานอยู่สามอย่าง รูปทำงานอยู่สามอย่างหนึ่ง<ม>การเคลื่อนไหวนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นอนิจจังใช่ไหมสองเวลามันถ้าเรานั่งนิ่งๆเนี่ยถือว่ายังเคลื่อนไหวอยู่ไหมร่างกายทางทำงานอยู่ไหมอะไรทำงาน<ม>เลือดลมใช่ไหม b r a t c u l a t i o n เลือดลมหมุนอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้หยุดแต่ทีนี้เวลาเรานั่งแล้วทำไมเฉยๆแล้วทำไมความปวดมันเกิดขึ้น ควาหนักมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเลือดลมนั่นหมุนไปตรงที่เรานั่งทับมันใช่ไ้มเหมือนท่อเหมือนท่อน้ํามันนะร้อเปร์เซ็นเนี่ยเราไปนั่งทับมันบีบลงไปเครื่องหนึ่งหรือเหลือค่อนยิ่งน้ําหนักมากเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกหนักมากเท่านั้นนั่นหมายความว่าเลือดลมเลือดเซลล์ต่างๆถูกอะไรกดทับถูกน้ําหนักของเรากดทับเมื่อน้ําหนักกดทับแล้วเลือดลมที่เคยหมุนอย่างสะดวกมันก็ไม่สะดวก เวลาลุกขึ้นเง ล, งลือดล่มเราหมุนพุ่งจูดเลยใช่ไหมเราก็รู้สึกเบาทันทีเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อานิจจังให้เป็นประโยชน์รู้จั ก, จากอานิจจังก็ให้อานิจจังทําหน้าที่แต่ถ้าอานิจจังทําหน้าที่ของมันเองมีสองอย่างหนึ่งอานิจจังทําหน้าที่มันเช่นเลือดลมเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้ไม่รู้ก็ตามมันเป็นไงหมุนตลอดเวลาสองเวลาลุกรู้สึกหนักเราลุกไปเลยเราก็สบายเหมือนกันใช่ไหม S 1> <S 1> ได้ความสบายคือได้ชั้นหนึ่งแต่เรารู้จักไหมว่าความสบายเกิดขึ้นได้อย่างไรความไม่สบายเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไม่รู้เราก็ได้ความรู้ชั้นเดียวคือรู้สึกสบายแต่เราไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรจึงสบายตัวนี้เองจึงเกิดคําว่าตัวสติสมิยะขึ้นมาเราจึงฝึกสติดังนั้นวันนี้เราจึงมาฝึกความรู้สึก ต, ตัวนะว่าความรู้สึก ต, ตัวฝึกอย่างไรเราจะสาธิตก่อนเผื่อว่า คนที่ยังไม่เป็นก็จะได้ทำไปด้วยได้เป็นด้วยแต่ก่อนที่จะมาจะสาธิตในรายละเอียดจะนิมนต์หลวงพ่อเทียนมาสาธิตให้ก่อนนะวันนี้นิมนต์หลวงพ่อเทียนมาด้วยนะไม่รู้ว่าคุณเต๋อพร้อมหรือยังห <c oughs> ลวงพ่อเทียนจะเราก็หันหน้าแล้วทาตามท่านนะว่าท่านจะให้ น, นิยามให้ definition ในการเคลื่อนไหวว่าอย่างไงหน้ากลับไปตรงนั้น